วันหนึ่งพระโพธิสัตว์นั้นกับพวกบุรุษชาวประมงก็ไปยังที่ที่ฆ่าปลาเห็นปลาทั้งหลายตายได้ทำโสมนัสให้เกิดขึ้นในข้อที่ปลาตายนั้นแม้บุรุษชาวประมงที่ไปด้วยกันก็ทำความโสมนัสให้เกิดขึ้นอย่างนั้นเหมือนกันโอ้โหดีใจมากงานนี้ญาติเราไปเบือปลาได้มาเต็มเนย น, นะโอ้ยิ้มแป้เลยอะ คล้ายๆกับถ้าหากว่ามันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งมันเป็นคล้ายๆหัวมันนะก็คล้ายๆกับมันสำหรับหลังนั่นแหละทีนี้เอามาแข่งในน้ําปลาจะเมาเมาแล้วมันก็จะตายแล้วจะลอยหรือว่ายาบางอย่างนะมันจะเมาแล้วมันจะลอยขึ้นแรียกว่าเบื่อปลาทีนี้เบื่อแล้วได้มาเยอะๆก็ดีใจใช่ไหมพระโพธิสัตว์ไปเห็นโอ้โหนี่ญาติได้ปลามาเยอะยิ้มแป้เลยนะ ดีใจกับญาติด้วยมาดูที่กรรมจะเป็นยังไงกรรมมาบทมีใช่ไหมหนึ่งถ้าอาุศลกรรมาบทสี่สิบหนึ่งฆ่าเองสองใช้ให้คนอื่นฆ่าสามชักชวนในการฆ่าสี่ยินดีในการฆ่าแต่น่ะบาปทั้งนั้นแหละพวกเนี้ในเนก็ก็ยินดีในสิ่งนี้ไม่ควรยินดีอ่ะใช่หม น, น, น่ดูมวยนี่นาดูเลยนะเนี่ยดูมวยอะ่ะคุณคุณ ช, ชอบไหมอยากอยากให้ฝ่ายเราเนี่ยนะปล่อยหมัดเข้าไปแล้วน็อกไปเลยใช่ไมใช่ไม่ใช่ยินดีธรรมดาโดดเลยนะโอ้โหน็อกเขาได้นี่โดดเลยใช่ไหมอ่าที่ที่ที่อาตมาอยู่นะเวลาวันอาทิตย์เนี่ยเย็นๆเนี่ยจะดังเ ย, ย, ย, ย้ยนะโอ้ยดีใจเลยนะ อันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยเราคงเป็นลักษณะเนี่ยคงไปยินดีในสิ่งที่ไม่ควรยินดีแน่นอนเลยเห็นโทษเห็นคุณค่าของพระธรรมเลใกล้ๆนั้นมีบ่อนไก่อยู่ทิ้งนะสองสามทุ่มแล้วก็ยังเย้ยวเยยอยู่นั่นแหะพอดีวันอาทิตย์ไม่มีบรรยายที่นี่ใช่ไหมสบายเลยทัานก็ได้ฟังเสียงอะไรเย้วเย้เตลอดเลยโอ้ดีใจมากเลยในนั้นเชียงใหม่เนี่ยที่ใกล้ๆที่พักเนี่ยเพราะว่าก่อนเข้าไปถึงมันจะมีบ่อนไก่อยู่ทิ้งนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยรู้สึก โอโหโชคดีเหลือเกินที่เราได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมถ้าไม่ศึกษาพระธรรมนะสมมติไปยินดีในขณะหนึ่งครั้งเนี่ยตอนอาทิตย์ละอาทิตย์หนึ่งตอนหนึ่งวันเนี่ยคิดดูว่าไปมีสภาพจิตอย่างนั้นเนี่ยกี่ชั่วโมงใช่หมหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะไปมีสภาพจิตแบบนั้นเนี่ยห้าชั่วโมงเนี่ยห้าชั่วโมงชาวนะกี่ดวงแล้วทีนี้เอากรรมไปเก็บไว้ทีนะ่ไหน บอกว่าด้วยอากุศลกรรมนั้นพระโพธิสัตว์ได้เสวยทุกในอบายทั้งสในอัตภาพหลังสุดนี้บังเกิดในตระกูลศักยาราษนะพร้อมกับบุรุษเหล่านั้นแม้จะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าโดยลำดับแล้วก็ยังได้เสวยความเจ็บป่วยที่ศีรษะด้วยตนเองปวดเสียนเลยนะพระพุทธเจ้าเอ เสนาบดีท่านหนึ่งซึ่งเป็นหลานของพันธุระเสนาบดีเนี่ยก็มาแต่งตั้งให้วิทูธาภาเนี่ยปกครองราชบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าประสเสนิโกศนก็เรียกว่าช่วงชิงราชบัลลังก์มาทีนี้เจ้าวิทูธาภาเนี่ยพอได้ราชบัลลังก์แล้วก็คิดแค้นศากยะตระกูลที่ที่ครั้งหนึ่งที่เคยไปเยี่ยมสากยะตระกูลแล้วก็ศากยะตระกูลเนี่ยทำร้ายจิตใจอย่างร้ายแรงมากตรงั้น ถึงขนาดว่าที่ที่เจ้าวิทูธพะไปนั่งเนี่ยถึงก็เอาน้ํานมเนี่ยมาล้างเรียกว่าคนเปื้อนวรรณะอะนะคนตระกูลสัมเออตระกูลต่ํามานั่งที่สูงเนี่ยพะะนันเจ้าวิทูธพะผูกพยาบาทไว้ว่าวันนี้พวกเจ้าสกยะเอาน้ํานมมาล้างตังที่เรานั่งวันหน้าเราจะเอาเลือดในลําคอของเจ้าสกยะเนี่ยมาล้างตังอันนั้นคืนผูกอาฆาตไว้ขอให้เราได้เป็นพระราชาก่อนเมื่อไหร่ ทีนี้ตอนหลังนี้พอได้เป็นพระราชาสมความปรารถนาแล้วก็ยกทัพมาเลยยกทัพมาพระ อ, องค์ก็มาห้ามอยู่สองสามครั้งครั้งที่สามพระ อ, องค์ก็เลิกห้ามครั้งที่สี่ทีนี้ก็เลยเข้าไปก็ฆ่าสกยะเนี่ยตายเป็นเบือเลยเพรา ะ, ะนนคนที่ไม่ได้พูดว่าคําว่าสกยะเท่านั้นอ่ะรอดตายไปท่านเป็นสกยะใช่ไหมถ้าบอกย่าอันนี้แงยรอดตายถ้าบอกใช่ ่ถูกตัดคอหมดแม้กระทั่งลูกเล็กเด็กแดงไงสักยาเลย0ูญพันธ์มาเหลือนหน่อยหน่อยนั้นถูกตัดคอเนี่ยเรียบเขาบอกว่ากรรมอะไรที่เจ้าสักยาถูกฆ่านั่นก็คือกรรมที่ไปเบื่อปลานั่นเองพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วงนั้นพระองค์ก็ปวดเสียนอันนี้นก็เศษเศษที่ไปดีใจกับเขามาเนั้นสามารถดูได้ในปุบภวคในคาถาธรรมบทกล่าวถึง เรื่องเจ้าวิทูถะพระด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเราเป็นลูกชาวประมงในหมู่บ้านชาวประมงเห็นปลาทั้งหลายถูกฆ่าได้ยังความโสมนัดดีใจให้เกิดขึ้นนะคล้ายๆกับตาของอดตมมาสมัยเด็กๆนะเดีย๋ยวถ้าพ่อไปหาปลาได้เยอะเนี่ยโอ้ยิ้มเนียดีใจมากตอนหลังมาศึกษาธรรมะไม่สงสารยมพ่อนะโอ้เนี่ยเพราะเหตุแห่งบุตรภรรยานะโห้ทาบาปเพียบเลย เพราะวิบากของกรรมนั้นความทุกข์ที่ศีรษะได้มีแก่เราแล้วในคราวที่เจ้าวิทูตภะฆ่าสัตว์ทั้งหมดนะคือฆ่าเจ้าสักย ะ, ะตอนที่สักยะตายเนี่ยพระผู้มีพระภาคก็ปวดพระเศียรด้วยทั้งท้งที่ตอนนั้นพระผู้มีพระภาคพระชนมายุได้เกือบแปดสิบพรรษาแล้วนะเหตุการณ์ที่ที่สักยะถูกฆ่าเนี่ยอายุแปดสิบแล้ว อีกเรื่องหนึ่งนะว่าพระพุทธเจ้าเองก็เคยฉันข้าวสารแห่งข้าวแดงในเมืองเวสาลีนะก็คือในเมืองเวรัญชานะก็คือได้รับการฉันข้าวแดงนะก็คือเมืองเวรัญชาก็อยู่ออ่ยูในละแวกเมืองไพราลีนั่นเองพวกฉันข้าวแดงอยู่สามเดือนด้วยกันฉันเข้ามากรรมอะไรเนาะ เป็นะพุตธเจ้าอล้วยังฉันข้าวแดงอ่ะนะทั้งรงที่กษัตริย์อุปถาคมากมายอ่ะได้ยินว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์นี้บังเกิดในตระกูลหนึ่งเพราะอำนาจชาติและเพราะความเป็นอันตรภานธะแปลว่าบอดภาละแปลว่าโง่ภาละลักษณะภาละประทานภาละนิมิตคืออะไรลักษณะของคนพาลคือหนึ่งนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกรมนี่ก็คือพาแลลักษณะทางกายพาแลลักษณะทางวาจาก็คือพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อนี้เรียกว่าพาแลลักษณะทางวาจาส่วนพาแลลักษณะทางใจก็คืออภิชาปยาปาทะและมิจฉาทิฏฐิทีนี้งโง่แบบนี้ไม่พอนะอันทะบอดอีกแสดงว่าไม่ได้ฟังเรื่องอริยสัจแม้แต่นิดเดียว ไม่ได้ฟังเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอะไรมาสักอย่างเลย น, นะแล้วก็พอดีเกิดในตระกูลสูงด้วยใช่ไหมมานะก็แก่กล้าถือว่าเป็นลูกคนใหญ่คนโตนะทีนี้เห็นสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนาว่าผุษะฉันข้าวน้ำอันอร่อยเห็นพระกำลังฉันข้าวดีๆเนี่ยและโภชนะแห่งข้าวสาลีเป็นต้นนะพระเนี่ยฉันอาหาร ดีนะที่ที่เขานิมนต์ไปก็ถวายที่อาหารที่ประนีตนะตามภาษาคนเกิดมีกิเลสเนี่ยก็บอกว่าด่าว่าเฮ้ยพวกสมณะโลนพวกท่านจงกินข้าวแดงเถอะอย่ากินโภชนะแห่งข้าวสาลีเลยโอ้ปากเจ้ากรรมนะเหมือนกับปลากินเบ็ดเลยนะฮุบเข้าไปทีเดียวนะไปด่าคนมีศีลมีธรรมเข้า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 ถูฟ้องเนี่ยหน้ามืดเล ย, เ น, เลยนะเข้าคุกเข้าตารางหลายคนเนี่ยเพ่นอกนอกนอกประเทศเพราะคำพูดไม่กี่คำเองพระญาติโยมมาเนี่ยถ้าถูกคนอื่นกันแนกันแหน่เขาเนี่ยอย่าไปโกรธนะต้องสงสารเขาแล้วนะเจนพานโอ้โหนี่มีปัญหาอะไรถึงเข้าวัดเนี่ยก็ค้าคืนยังมาเลยเนี่ยมีปัญหาชีวิตอะไรหรือเปล่าเนี่ยเ <cke lly> ขาเขามีนะโยมคนหนึงอะ่ะเขาที่ที่ใกล้ใกลวัด เขบอกว่าเอ้ครอบครัวคุณเป็นยังไงเหรอจึงเรีบเข้าวัดตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเขาว่างั้นมีอะไรไม่สบายหรือเปล่าเขาว่างั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่างแสดงว่าต้องรอให้แก่ก่อนแล้วค่อยมาเไม่มาทํามาอะไรตอนอายุมากๆแล้วก็มาให้ทานอย่างเดียวเนาะอายุมากมก็มาให้ทานอย่างเดียวคือไม่ได้ปฏิเสธว่าตอนอายุมากแต่ถ้าหากว่าโอ้พระทำคําสอนตั้งมากมายมหาศาลทํามาสักแ80ดสิบเศษแล้วมาทํำยังไงมาฟังธรรมะข้อไหนโอหน้าสงสารเลย ถ้าหากว่าวันนี้โยมอาจารย์เกตสุดากล่าวว่าตอนนี้ตาก็ยังดีหูก็ยังดียังแข็งแรงพอขับรถไปไหนมาไหนได้ก็เรียบเรียบไว้ก่อนนะแต่หากว่าขับรถมาไม่ได้ใครจะมาส่งเราวนี้ลําบากเลยอดเลยคนนี้ปีชวดชลูขานไนเรื่อยแล้วคนนี้อดไปเรื่อยถ้าหากว่าชาบนี้ไม่ได้แล้วชาติต่อไปโอกาสมีไหมพระพุทธศาสนายุคต่อตไปเนี่ยถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ยุคหน้าเนี่ยเปอร์เซ็นที่จะได้ศึกษาคําสอนมีไหมอ๋อ แค่ชาตินี้ก็ยังยากขนาดนี้แล้วนะถ้าชาตินี้เราทําบุญไว้น้อยก็น้อยอยู่แล้วเนี่ยนะชาติหน้าต่อไปเราต้องวิบัติต่ํากว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้ไปหาที่ไหนกันนี่อย่าว่าพระมาปโปรดเลยพระก็ยังไม่มีเลยทําไมนั่นน่ะทีนี้ต่อไปนะว่าด้วยวิบากแห่งกรรมที่ไปด่าอยู่อย่างเงี้ยก็ตกนรกไล่ผ่านปีในอัตภาพหลังสุดถึงความเป็นพระพุทธเจ้าโดยลําดับเมื่อทรงกระทําความอนุเคราะห์ชาวโลก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 มารผู้มีบาปก็ได้กระทำการโดนใจชาวบ้านเวรัญชพรามขามทั้งสิน้น ไ, ไม่ได้แม้แต่คนเดียวผู้จะถวายพิกษาสักทพีหนึ่งนนะคือไปบินธบาสนี่นะบาทเปล่าว่าตอนที่ไปเนี่ยนะล้างบาทยังไงขากลับก็เป็นอย่างนั้นนะ่ะบาทนี่สะอาดเรี่ยงเนี่ยาบอกว่ามาเนี่ยไปแทรกไม่ให้คนแต่และคนนี่มีศรัทธาก็คิดดูนะเวรัญชพรามเป็นพระโสดาบันยังทาให้ลืมไปเลย ทำให้ลืมว่าเออเมืองเรามีพระพุทธเจ้ามาจํามัลสาอยู่ด้วยนึกไม่ออกนึกไม่นึกเลยอ่ะไม่ใช่ไม่มีศรัทธาแต่มันนึกไม่ได้เหมือนจําไม่ได้นะทีนี้พระองค์ก็ไปบิณฑบาตก็ไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงมีบาทเปล่าอันพิสูจสงท์ห้อมล้อมเสด็จกลับมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเสด็จกลับมาอย่างนั้นพวกพ่อค้ามาที่อยู่ในที่นั้นแหละ ก็ได้ถวายทานในวันนั้นจำเดิมแต่วันนั้นไปได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพิกสูงห้าร้อยเป็นบริวารได้ทำการแบ่งจากอาหารม้าห้าร้อยตัวนะก็คือเขาเอาเข้าเปลือกเนี่ยนะมันนึ่งให้มันสุกเขาก็เอาไว้ให้ม้ากินอะ่ะทีนี้ก็แบ่งไอ้พวกนั้นแหละมาถวายพระนะก็คือเอามาซ้อมเป็นข้าวแดงก็คือเอามาตำเป็นก็แค่ข้าวกล้องเนี่ยนะแต่ว่ามันสุกลว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 เวรันจะพราหมกก็ระลึกขึ้นได้เนะพึงนึกได้เอา้านิมนพระมาจำบรรษาตั้งสามเดือนละนะได้ถึงความสลดใจอย่างใหญ่หลวงสังเวชใจโอ้โหสามเดือนนี่นึกไม่ถึงเลยอะ่ะได้ถวายมหาทานแก่พีกสุสง่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานถวายบังคมแล้วก็ขอให้ทรงอดโทษด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเราได้ดา่าบริาพารภษาวกทั้งหลายในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าพุทธะว่า พวกท่านจงเคี้ยวกินแต่จงเคี้ยวจงกินแต่ข้าวแดงอยากกินข้าวสาลีเลยด้วยวิบากของกรรมนั้นเราจึงได้เคี้ยวกินข้าวแดงตลอดไตรมาสคือสมเดือนเพราะว่าในคราวนั้นเราอันพรามนิมนต์แล้วจึงได้อยู่ในบ้านโวยรันชาถูกนิมนต์แล้วเจ้าของนิมนต์ลืมเลยอ่ะไม่ใช่ไม่มีทรัพย์ไม่ใช่ไม่มีศรัทธาแต่นึกไม่ออกและอีกกรรมหนึ่งก็คือ ปวดหลังพระพุทธเจ้าเนี่ยปวดปวดหลังมากนะอาพาธที่หลังกรรอะไรมานะเวลาแสดงธรรมไปก็ปวดหลังพักหน่อยสารีบุตรแสดงต่อหรือให้พระอานุ์แสดงต่อเป็นต้นได้ยินว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลเครหบดีสมบูรณ์ด้วยกําลังได้เป็นคนค่อนข้างเตี้ยแต่ว่ากําลังเนี่ยมีกําลังมากแต่ว่าเตี้ยแต่ว่าก็มีฐานะดี สมัยนั้นเนี่ยนักต่อสู้ด้วยการต่อสู้ด้วยมวยปล้ำคนหนึ่งนะมีนักมวยปล้ำคนหนึ่งเนี่ยเมื่อทําการต่อสู้ด้วยมวยปล้ำที่กําลังเดินไปอยู่ในคามนิคมและราชธ า, านีทั้งหลายทั่วชมพูทวีปทั้งสิน้นก็ได้ทําพวกบุรุษลม้มลงได้รับชัยชนะนะก็คือนักมวยปล้ำอะแชมป์มาเขาเรียกว่าท้าชิงไปเรื่อยอะใครเก่งมาเลยเธอมวยสมัยก่อนไม่มีเวทีนะถ้าถ้าเป็นมวยสมัยโบราณโบราณหน่อยไม่มีเวที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 คราวนั้นพระโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่าเออผู้นี้ได้รับชัยชนะในที่ที่เป็นที่อยู่ของเราแล้วก็จะไปจึงมายังบริเวณพระนครในที่นั้นปรบมือแล้วกล่าวว่าท่านจงมาจงต่อสู้กับเราแล้วค่อยไปพระโพธิสัตว์เอามั่งเลนะแหมหยามกันไปมากอย่างนั้นจะจากที่นี่ไปง่ายๆได้เลยนะตบมือมาเข้ามานักมวยปล้ำนั้นก็หัวเราะก็เลยคิดว่าบุรุษใหญ่โตเราก็ยังทําให้ล้มได้บุรุษผู้นี้เป็นคนเตี้ย มีธาตเป็นคนเตี้ยย่อมไม่เพียงพอแม้แก่มือข้างเดียวจึงปรบมือบรรลือว่าเดินมานะโอ้ยเตีย้ยเอ้ยมันมือข้างเดียวมันจะอมือข้างเดียวนี่ก็ชนะแล้วมาเหมือนกันคนทั้งสองนั้นก็จับมือกันและกันพระโพธิสัตว์ก็ยกนักมวยปล้ำคนนั้นขึ้นแล้วก็หมุนในอากาศเมื่อจะให้ตกลงบนภาค พ, พื้นได้ทําลายกระดูกไหล่แล้วก็ให้ลม้มลงนะนะบิดให้มันตกลงมาแล้วก็ไหลกระแทก นะบิดซะก่อนเขามีวิธีการใช่ไหมทำให้กระดูกเนี่ยเคล็ดไปเลยชาวพระนครทั้งสิ้นก็ทำการโหร้องปรบมือบูชาพระโพ ธ, ธิสัตว์ด้วยผ้าและอาพรเป็นต้นเห็นคนอื่นว่ามวยมวยภาคเราชนะใช่ไหมเราดีใจกับเขาไหมโอ้โหดีใจใหญ่เลยนะกุศลเนี่ยกุศลถ้าเขาถูกต่สลบนะจะว่าไงถ้าฝ่ายโน้นสลบแล้วเราไปมูที่ตากับเขาเนี่ยไปดีใจกับเขาเลยเนี่ย เดี๋ยววันหลังมาเนี่ยอาจจะถูกบูบง่ายๆเลยนะนั่งนั่งอยู่ล้มแผลนั่นแหละทำไมอันนี้สงเคยไปยินดีกับพวกที่ถูกน็อกมานั่งนั่งเลยล้มแผลเนี่ยลำบากกันน ะ, ะทีนี้ชาวบ้านก็ดีใจด้วยกันแถๆเลยพระโพธิสัตว์นี้ก็ให้นักต่อสู้ด้วยมวยปล้ำนั้นตรงๆแล้วก็ทำกระดูกไหลนั้นให้ตรง ก็แก้ให้คืนแต่ว่าสั่งสอนท่านน้อยนะแค่กระดูกบิดๆเนี่ยนะและก็กล่าวว่าท่านจงไปตั้งแต่นี้ต่อไปวังนั้นท่านอย่ากระทํากรรมเห็นป่านี้อีกแล้วก็ส่งไปก็คือเลิกสาอาชีพเนี้ยมันไม่ดีหรกอกคล้าสั่งสอ น, นไปเอะด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นยังมีกรรมอีกพระโพธิสัตว์ก็ได้เสวยทุกที่ร่างกายและศีรษะเป็นต้นในภพที่เกิดแล้วที่เกิดแล้วปวดหลังปวดหัวเปิดมุ้ยไปทั้งตัวเนี่ยประจำวังนั้นเลย ในอัตภาพหลังสุดแม้ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เสวยทุกมีการเสียดแทงที่หลังเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์ที่เบื้องพระปริศดารเกิดขึ้นในการบางคราวที่นั่งแสดงธรรมไปก็ปวดหลังพระองค์จึงตรัสกับภาษาริบตทและพระโมกคลานะว่าจำเดิมแต่นี้ไปพวกเธอจงแสดงธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงลาดสุคตจีวรแล้วบรรทมขึ้นชื่อว่ากรรมเก่าแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่พ้นไปได้ อาคุศลเจตนาที่ในอดีตที่เป็นอาคุศลเนี่ยก็ไม่ไม่ปล่อยวางใครนะ <c oughs> เมื่อการปล้ำดําเนินกันอยู่เราได้เบียดเบียนบุตรนักหน่วยปล้ำให้ลําบากด้วยวิบากของกรรมนั้นความทุกข์ที่หลังคือปวดหลังจึงได้มีแก่เรานะอีกกรรมหนึ่งเนี่ยก่อนที่พระองค์ใกล้จะดับขันปรินิพานพระองค์เนี่ยถ่ายเป็นพระโลหิตนะถ่ายออกมาเป็นเลือดสดๆเลยนะ จะแบบคล้ายๆกับโรคบิดอย่างนั้นน่ได้ยินว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลเครือหาบดีเลี้ยงชีวิตด้วยเวชกรรมนะเวชกรรมเวชช้แปลว่ายากรรมที่ทำด้วยยาชีพไหนเกี่ยวกับยาหมอนะก็คือเป็นหมอนั่นเองเใกล้ๆเพศนั่นเนาะพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อจะเยียวยาบุตรเศรษฐีนะคนหนึ่ง ผู้ถูกโรบครอบงำจึงปรุงยาแล้วก็เยียวยาอาศัยความประมาทในการให้ทัยธรรมของบุตรเศรษฐีนั้นจึงให้โอสถอีกขนาดหนึ่งได้กระทำการถ่ายโดยสำรอกออกเศรษฐีได้ให้ทรัพย์เป็นอันมากก็คือวางแผนรักษาให้มันยากเข้าไว้ใช่ไหมเสร็จแล้วจะได้ค่ารักษาเยอะๆอ่ะด้วยวิบา ก, กรรมนั้น น, นะก็ไปทาให้คนไข้เจ็บมากขึ้นอ่ะมีโทษอ่ะ พระโพธิสัตว์จึงได้ถูกอ า, าพาธด้วยโรคลงโลหิตครอบงำในภพที่เกิดแล้วในภพที่เกิดแล้วนะถ่ายเป็นเลือดอย่างเงี้ยมาหลายชาติด้วยกันในอัตภาพหลังสุดแม้นี้ในสมัยปรินิพานคือใกล้ๆจะปรินิพานนะจึงได้มีการถ่ายด้วยการลงพระโลหิตในขณะที่สเสวยสุกระมัทวะที่นายจุนทะกรมมารบุตรปรุงถวาย พร้อมกับพระกาย า, ารอันมีทิพโอชะที่เทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นใสลงไวนะ้กำลังแสนโกรธเชือกได้ถึงความสิ้นไปขนาดพระองค์เคยมีเรี่ยวแรงมากมายมหาศาลเรี่ยวแรงนี่ก็สุดลงไปเลยนะหมดแรงเลยในวันเพ็ญเดือน6พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินไปเพื่อต้องการปรินิพานในเมืองกุศินาราประทับนั่งในที่ล้าแห่งเนี่ยนะเดินไปพักไปเดินไปพักไปเนี่ย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 ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเดินกลับบ้านต่างหลายกิโลวอ้อ่ะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินไปเมืองกุศินาราเดินไปพักไปเดินไปพักไปนั้นกรรมมันให้ผลมันเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้ในขณะที่เดินไปเนี่ยประทับนั่งร้ายแห่งระหายน้ํากระหายนะทรงดื่มน้ําทรงถึงเมืองกุศินาราด้วยความลําบากอย่างมหันนะทุกขากายวิญญาณเนี่ยเกิดมากมายในขณะที่เดินทางไปแล้วเสด็จปรินิพานในเวลาปัจจุสมัยใกล้รุ่ง แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเจ้าของไตรโลกเห็นปานนั้นกรรมเก่าก็ไม่ละเว้นน ะ, นะที่เป็นโลกิยะกรมโลกรูปะโลกอรูปะโลกเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นเลิศนะเป็นเจ้าของแห่งธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดอะกรรมนั้นก็ไม่ละเว้นพระองค์ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเราเป็นหมอรักษาโรคได้ถ่ายยาบุตรของเศรษฐีด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นโรคปักขันที่กาพาธจึงมีแก่เรา พระชินเจ้าผู้บรรลุอภิญยาทั้งปวงทรงพยากรณ์ต่อหน้าภิกสุสงนะอโนดัตสะใหญ่ด้วยประการชนนี้แหละก็มีอีกกรรมหนึ่งว่าพระองค์เนี่ยทรงกระหายน้ําก็ใช้ให้พระอนนท์ไปตักน้ำอะ่ะพระอนนท์ไปเห็นเนี่ยน้ําขุนเลยพระองค์ก็สั่งให้ไปตักอยู่สามครั้งพระอนนท์จึงไปตักมาเวลาตักปั๊บน้ําก็ใส่แจวเอามาก็บอกว่ากรรมอะไรที่ทําให้พระใช้พระอนนท์ให้ไปตักน้ําทั้งสามครั้งอะ่ะไปน้ําขุนก็ไม่ตักมาให้อะ่ะ ก็บอกว่ากรรมที่พระองค์นั้นน่ะไปห้ามโคไม่ให้ดื่มน้ำนะเห็นน้ำมันสกรปรกก็บอกว่าเอ้ยวัวอย่าเพิ่งดื่มแลวไปดื่มที่อื่นเถอะอันนั้นก็ยังมีผลอีกทำให้กระหายน้ำนะหาน้ำแม้แต่จะดื่มยังยากเลยเพราะว่ากรรมเหล่านั้นก็ติดตามพระองค์ไปแต่ว่าพระองค์นั้นได้สิ้นกรรมหมดแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวนะว่า อปทานฝ่ายอกุศลชื่อว่าเป็นอันจบบริบูรณ์ด้วยการตั้งหัวข้อในปัญหาที่ท่านได้ปฏิญญาไว้ด้วยประการอย่างนี้นั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระมหากรุณาพระองค์นั้นทรงเพียบพร้อมด้วยภาคยาธรรมเป็นพระมหาศัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีมาแล้วทรงประกอบด้วยคุณเป็นต้นอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีภาคบุญ คือโชคผู้หักรานกิเลสผู้ประกอบด้วยพาคัธรรมทั้งหลายผู้ทรงด้วยภาคัธรรมทั้งหลายผู้ทรงจำแนกธรรมผู้ครบแล้วผู้คลายการไปในภพทั้งหลายแล้วเพราะเหตุนั้นจึงทรงพระนามว่าพระควาทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเทพเป็นเท้าสก่ายิ่งกว่าเท้าสกะทรงเป็นพรมยิ่งกว่าพรมทรงเป็นพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้ามีกี่ประเภท สนะหนึ่งสาวกกับพุทธปะปัจเจกกับพุทธะและก็สัมมาสัมพุทธะอันพระองค์จึงเป็นพุทธะยิ่งกว่าพุทธะเมื่อจะทรงยกย่องคือทําให้ปรากฏซึ่งพุทธเจริยาคือเหตุแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์จึงได้ทรงภาสิท์คือธรรมบรรยยัลลัยคือพระสูตรธรรมเทศนาที่ชื่อว่าพุทธาประทานิยะคือชื่อว่าประกาศเหตุแห่งพระพุทธเจ้าแล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 มาแล้วเหลยมาถึงแล้วแล้วก็อุ้มชูอย่างดีเลยนะอากุศลกรรมชั่วก็เหมือนกันมันก็เหมือนกับศัตรูทีผ่ผูกพยาบาทไว้นานเพิ่งตามเจออ่ะซับใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นคนที่ที่ยังอยู่ในสังสารวัตที่ทําทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยจะได้รับแห่งผลทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วนะบางครั้งก็หวานเจี๊ยบเลยนะบางครั้งก็ขมคืนน่าดูเลยก็เหมือนกับข้าวใช่ไหมในถ้วย ในในในโต๊ะเดียวนั่นแหละไปตักมะละเท่ากับขมนะไปตักทองหยิดทองยอดเท่ากับหวานเทียบเลยนะก็ใกล้ๆ ก, กันนั่นแหละอันผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วของสัตว์ทั่วไปเนี่ยก็ทําใกล้ๆ ก, กันบางคนเนี่ยทางตาเนี่ยดีดีดนะเห็นแต่รูปารมณ์ที่ดีๆแต่ทุกขากายญวิญญาณเนี่ยเบียดเบียนมากบางคนเนี่ยตาดีแต่หูไม่ดีบางคนเนี่ยตาหูดีแต่ลิ้นไม่ดีบางคนตาหูหัวไม่ค่อยดี แต่ละอย่างเนี่ยโหกรร ม, มันก็ตามแทรกะนะไอ้ส่วนแห่งกุศลก็ให้ไปอากุศลก็ไม่ทิ้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นกุศลและอากุศลนั่นแหละเหมือนกับมิตรและกัศัตรูที่ติดตามเราทั้งหลายไปนี่เราเห็นภายในวัดตามไหมน่ากลัวมากเลยนะครับแล้วเราก็วัดตากยาวไกลแล้วข้างหน้าเราจะทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแพระพุทธศาสนาก็หมดไปแล้วเนี่ย น่าเป็นห่วงจริงนสียงที่น่าน่ากลัวมากก็คือผู้ที่ไม่มีโอกาสถึงไตรสารณาคมเนี่ยผู้ที่ไม่มีคําสอนเนี่ยนะเหมือนกับลูกกําพร้าเนี่ยลูกกัมพราที่ไม่มีพ่อแม่คอยดูแลเนี่ยนะไปติดยาเสพติดเนี่ยน่าเป็นห่วงน่าสงสารมากาผู้ที่ไม่มีาศาสดาไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพไม่มีพระธรรมคําสอนเป็นที่พึ่งพิง เนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยไปก่อกรรมทําชั่วอีกขนาดไหนและกรรมชั่วเหล่านั้นเวลามันให้ผลเนี่ยโอ้ยน้ําตาร่วงเลยแหละอ่าพระเพื่อนองค์หนึ่งอ่ะก่อนที่จะมาบวชเนี่ยนะเขาโอ้โหทำประมงมากฆ่าสัตว์มาเยอะตอนหลังมาบวชในมาบวชก็นึกถึงเมื่อไหร่ก็ร้อนใจทุกทีเลยนะคือกรรมชั่วที่ทําไปแล้วเนี่ยนะตอนทําเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้สึกอะไรหรอก แต่นานๆเข้าเนี่ยเวลามันนึกถึงแล้วเนี่ยโอมันเจ็บอยบอกใครเลยคือว่าความทุกข์ที่เกิดจากการทําำกุศลที่เรียกว่าวิปปติสารเนี่ยมันมันกินแหนงใจมากและทีนี้กุศลส่วนอื่นๆที่จะพึงประพฤติต่อไปได้มันก็ตัดขาดแทนที่จะทํากุศลต่อไปได้ก็กุศลก็ไม่ค่อยเกิดอัน้นไอวิปปติสารอันนี้เรียกว่าอุท ธ, ธาจักกุกุจจ์มันเป็นหนึ่งในนิวรห้าที่คอยหักห้าม